ความเจริญในธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวะพโพธิญาณในวันนี้จะพูดเรื่องของสังโยชน์ที่ระยะบุคคลระดับอนาคามีทันละได้คือตัดได้เด็ดขาดในบาลีนั้นท่านเรียกว่ากรมราคะกับปฏิฆ ะ, ะเราเห็นว่าที่จริงก็คือกิเลสสายโลภะกับกิเลสสายโทสะแต่ว่า มันลดวความเข้มข้นลงไปอาการมันกึงจึงมีเพียงความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใครก็หมายถึงสิ่งที่เราสัมผัสโดยตาโดยหูโดยจ ม, มูกโดยลิ้นโดยกายก็โดยใจนะนความกำหนัดความพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ถึงกับไปเสพสมอะไรเพราะว่า กิเลสประเภทนี้ประเภทที่มีคู่ครองมีครอบครัวเนี่ยพระนาคามีนี้ชัดเจนนะฮะพระนาคามีนั้นเป็นคารวาดสมนุนีมาถึงประเด็นตรงนี้ก็อยากจะแวะอีกนิดหนึ่งนะฮะว่าเมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคมเราได้มีการไปรชุมกลุ่มชาวพุทธ เรื่องเกี่ยวกับไปรูปการศึกษาวันนั้นมีหนังสือพิมพ์โทรทัศน์มากันหลายฉบับหลายช่องแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการสอบถามเรื่องพิซุนีขึ้นว่จริงไม่อยากพูดอ่ะไม่อยากตอบแต่ว่าถ้า่อให้ตอบกันโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยมันมีปัญหา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชอบพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนชอบพูดเรื่องกฎปัตสัมพชชาชาติชอบพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพชอบพูดเรื่องความเส ม, มอภาคอะไรตนะ่ออะไรเนี่ยคือหลักระศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของระศาสนาเป็นเรื่องของความสมัครใจเหมือนกับเสีลกินข้าวเจ็นเนี่ยนะเราจะกินข้าวเย็นก็ได้ก็เราสมาทานสียงนั้นก็กินได้ มไม่เรื่องสถ า, านะทั่วไปแต่ว่าคนที่มุ่งประทุษปฏิบัติเพื่อขัดเกลาทีเลศบรรเทาทีเรศของตนเองเนี่ยก็เลือกวิถีชีวิตในตรงนี้ทีนี้ถ้าถามว่าไอ้รูปแบบนี่เกี่ยวไหมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรอ่ะเพราะในความเป็นพระยะบุคคลประมาะถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนคือกษัตริยบาันนั้นเป็นคาวาสแต่มากกว่าพระพระตกากาคารีก็เหมือนกันนะฮะเป็นคารวาสแต่มากกว่าพระ พระอนาคามีที่เราพบเป็นคารวาดแต่ว่าท่านไม่เสษกากรรมนะตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือวิสาขาอุบาสกทัานฟังธรรมเทศนาในบรรลุมรรคผลเป็นพระยะบุคคลระดับอนาคามีเป็นครอบครัวเศรษฐีนะฮะแต่ก็ไม่มีลูกมาถึงบ้านก็มอบทรัพย์สมบัติให้พัญญาทั้งหมดคือท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวในทรัพย์สมบตัติต่อไป ธัญญาเป็นที่จะดีใจว่าสามีมอบทรัพย์สมบัติจํานวนมากมาหาศาลให้หรือท่านถือว่าเป็นการลุลหมิ่นท่านเนี่ยเหมือนกระทบนําลายลดศีรษะท่านได้ให้ท่านเ อ, อาศีรษะไปรับนําลายเนี่ท่านไม่เอาอะ่ะเพผละถ้าจะให้ก็ขอให้ท่านได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันอิสาะข้าวบาศกก็ดีใจ่ะนะก็นําไปให้บวชในต้นาภิกษุณี นางธรรมตินพระธรรมตินาเถรีเนี่ยไม่กี่วันท่านก็บรูุนเป็นเป็นพระอรหันต์แล้วก็มากลับมาสู่วัดใกล้บ้านท่านวิสาขาประโสนิขใจว่าคงอยากจะศึกก็มาเรียกเคียงถามดูถามปัญหาธรรมะไปโดยลำดับในภูมิพระโสดาบันตะ ก, กิตาคานาคาภูมิปุตตุชนมาก่อนนะฮะคำตอบได้ถูกหมดเลย ถามเลยไปจนถึงภูมิพระอระหันต์ซึ่งท่านเข้าไม่ถึงแต่ท่านเคยศึกษาเราเรียนมาพระธรรมทินนาบอกว่าถามเกินถามเกินความสามารถของตงนเองทําให้ปิสาคาเบสุกรู้ว่าพระธรรมทินนานั้นเป็นพระอระหันต์ต้นกิเลสประเภทนี้ประเภทการมราคะเนี่เป็นกิเลสประเภทที่มีปัญหาก็ยังไงยังไงโลกเราเนี่ยเป็นโลกของกรรมคุณ พูดยากกันนะฮะคือจะตัดขาดกามราคะเนี่ยมันก็พูดยากในชั้นนี้เนี่ยท่านตัดได้ขาดเรื่อพระนารายณมีนี่ท่านตัดได้ขาดแต่ว่าทํายังไงในฐานะที่เป็นสามัญชนเป็นพุทธบริษัททํายังไงจึงจะคุมกามราคะลงไปในดับที่เป็นความเหลียวนึกตึกนึก เพราะจริงๆลาราคากรณีโลภะกรณีโทสะกรณีบนอยู่ที่เราไปคิดโกรธเองนะฮะคิดกำหนัดเองคิดอยากได้เองมันไม่มีอะไระฮะคือถ้าใจเรามีปัญญามากพอแล้วเนี่ยเราสังเกตว่าเยอะที่เราไม่โลภอะไรเช่นสมมติว่าเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้ามันมีของเยอะที่เราเห็นแต่เราไม่อยากไม่อยากได้ นั่งรถไปกลางถนนเราก็เห็นของริมถนนนี้เยอะเลยตามห้างร้านอะไรต่างๆการโฆษณาสืนชวนเชิญชวนต่างๆนเยอะที่เราไม่รู้สึกอยากได้เลย mm hmm. ก็นั่งไปเฉยๆอันนี่คืออาการของจิตที่ไม่ยินดียินด้ยหมายความว่าพูดอะไรยินดีเราก็ไม่ยินดีพูดอะยินร้ายเราก็ไม่ยินร้าย กระตุ้นให้เกิดความยินดีเย็นร้ายใจก็ไม่แกว่งไปด้วความยินดีย็นร้ายที่เป็นการกระตุ้นกันกิเลสกิเลสประเภทนี้บางครั้งในทันพูดเป็นยางเหนียวคือมันหนืดมันนืดมันดึงรัดมันดึงใจคนเอาไว้ทำให้รู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันแล้วก็ยากที่จะสลับออกไปได้แต่การหนืดเหนียวตรงนี้ทำให้ บางครั้งที่ท่านอุปมาเหมือนกระลิงติดตังลิงติดตังในท่านเล่าว่าลิงเนี่ยตังเนี่ยตังก็คือพวกยางเนื้อเหนียวที่เขาวางดักเอาไว้ลิงเมื่ออาจจะจับตรงไหนก่อนก็ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เอาก้นลงก็นั่งปั๊บก็ติดตังติดตังเอาเท้าไปแกะเท้าก็ติดตังนะเอามือไปแกะมือก็ติดตังเอาปากไปกัดปากก็ติดตังเลยก็ดิ้นอยู่ตรงนั้นเองอ่ะไปไม่รอด เพราะในการติดในการมาคุณเออเจนว่าคล้ายๆกับลิงที่ติดตัง้องความนี้ก็ปรากฏอยู่ในมัรกัะสูตรในสังยุติกายนะฮะเอุปมาว่ามันเหมือนก็ะลิงิลิงที่ติดตังนั่นก็มีความชัดเจน อยนางที่โล น, นิตเขาพูดไว้มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอสับ ป, ปูบาพาครหน่วงไว้พัญญาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครคนได้จึงพ้นสงสารจะแสดงการหนืเดเหนียวของกิเลสประเภทนี้ในพระบาลีอวิธรรมมัทสังกะหะการอธิบายก็เรียกว่าอธิบายเป็นลักษณะถึงกิจถึงรสใดอะไรของสิ่งตัวนี้ ลักษณะของเขาก็คือมีการยึดติดอารมณ์เป็นลักษณะยึดติดรูปรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องนั่นคือลักษณะของเขาจะถามว่ากําหนดตัวเองไหมก็กําหนดตัวเองคือมันเกิดขึ้นจาความพอใจของเราเราพอใจเราก็ว่าดีเราไม่พอใจแล้วก็ว่าไม่ดีนะบางทีของที่เราเคยพอใจเนี่ยเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาเราก็ไม่พอใจ นะอย่าข่าวคราวที่ผัวข้าวเมียเมียข้าวผัวอะไรแต่ไรเนี่ยนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นลักษณะอารมณ์ที่เขาปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาในขนาดนั้นแต่รูปมันก็คงเป็นรูปอย่างนั้นและเสียงก็คงเป็นเสียงงั้นแต่ว่าใจมันแปรผันไปโดยการปรุงคิดคิดปรุงเอาพอแกคิดมากมันก็ทําให้คล่องให้คล่องให้ยึดติดอยู่ในกรงขัง นะแค่แค่กระลิงติดตังดังกล่าวเนี่ยร้อนกิจคือหน้าหน้าหน้าที่ของกิเลสประเภทเนี่ยมันจะทำให้กิจมันคล้องคล้องยนอย่างที่เรารู้แต่ยังที่โลกนี้เขาว่าไวนะ้น่ะรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องสังการบ่แลเหลี้ยวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบางังนั่นก็แสดงว่าใจที่คล้องเนี่ยแม้จะอยู่คนละที่โลกนะ หัอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่สหรัฐอเมริกาอะไรต่ออะไรนี่ยแต่ว่าใจยังผูกพันกันมันก็กลายเป็นความเยื่ดใหญ่เป็นความสินเนหาแล้วถ้าเราตรวจสอบว่าคนเหล่านี้ใช้โทรศัพท์ไปเนี่ยเดือนหนึ่งนี่เท่าไหร่กี่ครั้งแล้วจายค่าโทรศัพท์นี่โทรไปเท่าไหร่แต่ ว, วันก่อนได้ข่าวเล็กๆนะฮะแต่เป็นเรื่องที่น่าคิดของคนรุ่นใหม่ พวกวัยรุ่นที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะมีหนี้สินล้นพ้นตัวเยอะเมื่อไปศึกษาทั้งเหตุผลว่าเด็กเหล่านี้มันจ่ายอะไรกันนักหนาเด็กอายุยี่ห้าลงมานะปรากฏว่าใช้โทรศัพท์มือถือใช้เพจใช้อะไรต่ออะไรต่างๆมากมายแล้วก็โทรกันไปโทรกันมาโทรกันมาโทรกันไปนะฮะ เสียเว ล, เวลาเสียงานเสียการมาก่อนดูข่าวทหารก็สวนสนามมีสารวัตรทหารคนหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือเน็บกระเป๋าหลังอยู่แต่ตัวเองกำวังปฏิบัติหนะ้าที่เกิดเรียกขั้นมาก็ไม่กล้าหยิบนะให้เพื่อนก็หยิบให้เพื่อนก็ใช้ไม่เป็นทำไม่เป็น หยิบไปแล้วเขาก็ไม่ยอมพูดนะะ mm. เข้งกำลังกลังทำงานอยู่เนี่ย mm. เพื่อก็จะดับไพ่ไม่รู้จะดับยังไงก็วุ่นกันทำ mm. กันกว่าจะเสร็จเนี่ยเรายังนึกว่าคนเรานี้ก็เหลือเกินนะนั่นก็รู้อยู่ว่าคนที่เราโทรไปเนี่ยก็อยู่ที่ไหนเขาบังทำอะไรมันน่าจะรู้จักวเวลาเวลา แล้วมาเองนถืออย่างนะเรื่องการโทรศัพท์ถึงคนเนี่ยต้องดูในกาก่อรเลยข้างอื่นต้องดูในกาแล้วดูเขาเป็นใครเวลาเนี้ยเขาควรอยู่ที่ไหนนะเขาจะรับโทรศัพท์ได้ไหมนะอย่าบางทีเขาอยู่ในเวลาราชาการเราก็ไม่อยากจะไปโทรรบกวนเขาหรอกเวลาราชาการต้องทํางานเพื่อแผ่นดินมาโทรคุยกับเราอยู่มันก็ไม่กวนทีนี้จะโทรไปที่บ้านมันก็ต้องดูว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนตรงนี้เขากินข้าวไหมตรงนี้เขานอนได้ยัง เรื่องตรงนี้ถ้าเขามางอาบน้ําอยู่อะไรแต่ไรเนี่ยเราต้องโทรต้องสังเกตอคํานวณเวลาคนเราก็ต้องรู้จักการพอสมควรทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็โทรคุยกันในในวงการนะักวิชาการด้วยกันส่วนมากก็อยู่ดึกเดืวยกันแต่คนดังอยู่ดึกเราก็รู้ว่าคอยู่ดึกเราก็อยู่ดึกเราก็โท ร, ร, ร, โทรไปคุยด่านะ 4, ทุ่มห้าทุ่มอะไรโทรคุยกันส่วนมากก็โทรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาการอีกแหละ เกิดข้องใจเกิดสงสัยเกิดติดในเรื่องบางเรื่องขึ้นม า, าโทรสอบถามกันเพราะลักษณะเหราเนี่ยเรื่องการละเทศเนี่ยคนเราจำเป็นต้องมีแต่ทำไมมันไม่มีล่ะเพราะว่าใจมันข้องใจมันข้องใจมันไปยึดไปยึดอารมณ์เห่านั้นเอาไว้แล้วมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาในการใช้ เพระกิเลสประเภทนี้อย่างที่เราเคยได้ยินบทอักขยานบทหนึ่งที่บอกว่าความรักเหมือนโรคาบันดาลตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดใความรักเหมือนโกรธถึกกำลังคึกไปขังไว้ก็จะออกจากข้อไปประยอมอยู่ณที่ขังเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันไปยึดแล้วก็ข้องเนี่ยมันจะไม่สลับเขาเรียกว่าไม่บริจาคคือไม่สลับเพราะฉะนั้นการในคนบริอยากทานได้เนี่ยจริงจริงไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ ถ้าเราดูให้ดีแล้วนี่มีเยอะที่เราเกิดจิตตุปปาทิบังเกิดขึ้นมาอยากจะทําทานอยากจะร่วมกิจกรรมตรงนั้นอยากจะโอนเงินเข้าไปในบัญชีตรงนั้นก็บํ า, าบเพ็ินกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยโพลเท่าก็ทําไม่ได้คนไทยก็ทําไม่ได้อย่างเยกตัวอย่างเป็นพระเนี่ยเดีย๋ยวตัวอย่างตมาเองก็ได้กันนะนะคือว่าอาตมาเนี่ที่จริงอยากจะร่วมนะกิจกรรมต่างๆในพระออกทางรายการโทรทัศน์เนี่ย แต่เราก็ไม่กล้าโทรอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นยังไงแต่เราก็ทํานะฮะเราก็ตระลมีเราก็ทําอะไรไปเรื่อยๆแต่เราจะได้ออกโจทางโทรทัศน์อย่างนั้นมนไม่ได้มันรู้สึกยังไงอยู่แต่ถ้ากูจะทําก็อาจจะให้คนช่วยโอนไปให้อะไรไปให้ในะได้ก็อย่าไปปรากฏชื่อแล้วปรากดชื่ อ, อมันรู้สึกเขิ น, นๆยังไงหมล่ะ ว่าในการเกิดความคิดขึ้นมาและจะทำเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยมันจะเยอะเพราะลักษณะของเขาคือหนึบหนึบนะฮะมันเหนียวหนึบมันมีลักษณะยึดติดแล้วก็คล้องแล้วก็ไม่สละในขณะเดียวกันก็มีความเห็นชอบในสิ่งที่ใจไปยึดถือเอาไว้ ว่าสิ่งนั้นแหละสวยสิ่งนั้นรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรส อ, อันอร่อยเขาเรียกสังโยชนิยธรรมคือธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดการยึดเหนีย่ยวมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเพราะในการยึดติดของคนจึงไม่เหมือนกันเช่นว่ายึดติดเขามารูปสวยคาว่านังสือนีหน้าอ่าน คว่าภาพประยนต์นี้น่าดูสถานที่หน้าเชี่ยวเนี่ยจริงๆคิดไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเราสะสมไว้ภายในจิตเนี่ยั้นแตกต่างกันแล้ะจริงๆตัวนี้ก็ดูง่ายนะเช่นยกตัวอย่างว่าเรารับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันเนี่ยเห็นชัดเจนนะฮะว่าใครสะสมเรื่องอะไรมาเขาจะตักสิ่งนั้นก่อนด้วยความคุดเคยแล้วความคุ้นเคยเนี่จะตักสิ่งนั้นก่อน มันมีความโลภเยี่ยงทขงใจเขาทีนี้ลักษณะเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดอยากได้แล้วก็หรือบางครั้งก็อยากได้เองแต่พูดเฉพาะความชิดนะคือไม่จะไปทำไปพูดออกไปนั้นทำไปด้วยความโลภทำไปด้วยความโกรธทำไปด้วยความกำหนัด นะมันเป็นอาการทางกายทางวาจาแล้วตอนนี้ผู้เฉพาะความคิดผู้เฉพาะความคิดในจิตมันถูกกลุ่มรุมด้วยแรงของการมาราคะหรือความกระหนัความต้มมองการในทางเพศเนี่ยพระตาจายบอกว่ามันมีการยึดติดในอารม์เหมือนกระลิงที่ตะกลุ่มตะกรามแล้วก็ไปติดตัง้งสมัยเป็นเด็กนี่เคยเห็นแต่ไม่เชยลี้ยงนกอะ่ะ เ็นก็ดักนกไปอย่างร่วงพลอยพลอยพลอ ย, พลอยเลยตลอดระยะเวลาเาไปดักไว้เยอะเอาอยางไปวางไวยร่วงติดออมาอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองคือสูญเสียอิสระเสรีภาพเพราะกิเลสประเภทนี้มันจะมีความผูกพันหรือรัดใจแล้วก็คอยเกิดความพิติกังวล แต่เดียวประมาว่าเหมือนคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นเนี่ยมันที่ตกกังวลแล้วรู้สึกว่าผ่านวันเวลาไปเร็ ว, วเกินนะปะเดี๋ยก็ต้องใช้หนี้แล้วปะเดี๋ยวต้องใช้หนี้แล้วจิตใจที่ถูกกุ่มหุมโดยการมาราคะเองก็มีลักษณะอย่างนั้นพระราคามีนั้นท่านตัดขาด แต่ว่าท่านลองสังเกตดูเถอะว่าเราเองเนี่ยเราก็ตัดขาดได้หลายๆเรื่องมากะองเช่นว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อก่อนชอบเชี่ยวชอบสนุกสนานแต่มาก็เลิกเองมันเกิดเหตุผลเกิดสติปัญญามากขึ้นพอที่จะตัดสินวินิจฉัยแยกแยะแล้วก็มองไปที่เรื่องเป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์อย่างคนเราในเรื่องบางเรื่อง วันที่จริงมันไม่ใช่ละได้หรอกเพียงแต่ว่าสิ่งอื่นไม่เป็นประโยชน์มากกว่าเราก็อยากจะทำมันมันคุ้มค่าเราจึงไปไม่ทําอีกอย่างหนึ่งแล้วเราไปทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็สิ่งน้ำก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่เทียบเคียงแล้วสิ่งนี้มีประโยชน์มากกว่า ปัญญาเป็นเครื่องมือในการเล่นทจ่ายตัดสินในเรื่องเหล่านี้ต้องมีกําลังมากพอนะฮะไม่งั้นมันถูกแรงเหล่าเนี้ยที่ติดจิตไปคล้องไปติดเอาไว้เนี่ยถ้าลูกประมาหเห็นว่ามันเหมือนกับชิ้นเนื้อที่ใส่ในกระเบื้องร้อนๆมันติดนะเราสังเกตเพราะนั้นพวกนี้เวลาทอดเนี่ยก็าจะเอาน้ํามันเ้าไปวางเฉยๆก็ติดทันทีได้ แล้วก็มีการหวงการห่วงทั้งหวงทั้งห่วงนะฮะไม่ยอมสละไม่ยอมให้บางคนมันเหนียวหนึบเลยนะมีคนเล่าทั้งคนบางคนท่านเก็บอะไรเอาไว้ในไม่ขีดนี่เก็บไว้จนเปื่อยหมดเลยเปว่กินหมดเลยน้ำมันกาซสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย เขาถวายพระสมัยโบราณเนี่ยถวายน้ำมันกาดมีหลวงพ่อองค์หนึ่งคนไปขอน้ามันกาดน่ะขอแล้วขออีกอ้อนวอนท่านเนี่ยท่านก็ให้นะฮะแต่พอเขาไปยกหิ้วขึ้นมาเนี่ยอาศัยที่มันนานเก่าเกศไปนะฮะมันเกิดสนิมพอยกขึ้นมาก็หลุดทั่วเลย ก, ก้นกลางลเนี่ยมันเกิดสนิมหลุดทั่วไปเลย น, ำนำ้าน้ากามันกาดกา็หมดนั้นแสดงว่า ใจมันไม่ยอมสละแล้วเก็บเอาไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไปทําอะไรแต่เขาบอกว่าคนแก่เนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นนะถึงต้องระวังให้ดีเหมือนกันมาเองก็แก่แล้วก็ชักจะเสียเหมือนกันเราคงไม่ไปสะสมอย่างนั้นนะั่นนหะแล้วยิงก็มีความคิดนะเกิดสะสมหนังสือหนังหาไว้เยอะเลยที่กุฏิมาเนี่ยมีหนังสือเป็นหมื่นนะแต่เพื่อจะให้มีห้องสมุด สมบพยพชนสมบพระภิสษุสามเณรโดยเดียดเป็นหนังสือวิชาการฮะเป็นหนังสือวิชาการหนังสือทัว่วไปเราก็ไม่มีแต่ก็อยากที่จะเก็บสะสมแต่ไม่คล่องนะฮะก็เีอย่างหนึ่งเราก็สามารถที่จะให้ใครก็ได้คนก็มีความต้องการมีความสนใจจะอ่านก็ไปอ่านอ่า น, านหายก็หายไปก็ไม่ได้นว่าอะไร แล้วสละของจิตที่ไม่ยอมสละตรงนี้บางทีท่านบอกว่ามันเหมือนกับผ้าเปื้อนน้ำมันและก็ยาหยอดตาอันนี้คืออะไรก็คือว่าแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆขนาดผ้าเปื้อนขนาดยาหยอดตาหยดเดียวเัียไม่ให้ นั่นคืออากาศเหนียวอาการเหนียวกันหนื่อก็แล้วแต่มันไปผูกพันอยู่ในเรื่องอะไรตอในกรณีนี้ก็เรียกว่าเราสังเกตว่าการมาลาคะบางครั้งเนี่ยเช่นสามีผูกพันอยู่กับภรญยาภรรยาผูกพันอยู่กับสามีมันคล้องมันยึดนะฮะแล้วก็ไม่ยอมสลามนอาการนเอินดูนะะบางทีผู้ชายมองผู้หญิงไม่ได้อลย สามีมองไปหญิงอื่นไม่ได้กลัวทันทีเลยแต่ผู้ชายบางคนก็หึงเมียนะใครมองไม่ได้ไม่ต้องพูดมองเหี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือแสดงให้เห็นทั้งอาการของจิตที่มันถูกราคะความกำนังในครอบงำแล้วก็ทั้งหวงทั้งหวงแต่ว่า ใจเราต้องไปกําหนดนะกำหนดว่าอรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกิ่นนั้นหอมรถนั้นอรอยสัมผัสนั้นน่าจัต้องทําให้กําหนดอย่างนั้นมันไม่เกิดทีนี้พวกเราเนี่ยทําที่เป็นเหตุได้เกิดสังโยชน์เนี่ยหมนะ้ความว่าเราจะต้องมีพื้นฐานเราตีค่าของมันมาก่อนนะเรามองมันด้วยความรักมาความชังมาก่อนแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในใจเพราะฉะนั้นพอเห็นในสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งเรา และทําให้ใจกระสันอยากถ้าเกิดกรรมราคาโลภะในใจก็กระสันอยากเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อถือครองเพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นแต่นี้ในบางการณีเนี่ยมันก็เกิดเป็นรูปของความไม่พอใจก็กลายเป็นอีกตัวหนึ่งนะอีกคข้อหนึ่งในกรณีนี้ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าอาการเหล่าเนี้ยมันมีชื่อเยอะที่เราแล้วแต่จะเรียก อาจจะเรียกว่าโลภะอาจจะเรียกว่าตัณหาราคะเรียกว่ากามเรียกว่านันทิแปลว่าความเพลิดเพลินเรียกว่าพิจาไปเพ่งเลง็งบางทีก็พิจาวิสมะโลภะเพ่งเลง็งโลภอยากได้วุ่นไปหมดเลยนะบางทีก็เป็นอิจฉาแปลว่าความปรารถนาหรืออาสาแปลว่าความมุ่งหวังเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเนีเ่ยพฤติการที่เรียกเนี่ย คือถ้าเราเข้าใจคำเข้าใจกรอบความหมายเข้าใจสารัฐาแล้วนีะ่จะเห็นว่ามีความเข้มข้นไม่เหมือนกันยังโลภะนี่แรงนะัญหานี่ก็แรงราคะนี่ก็หนักแต่ถ้ากามะนี่จริงใช้ทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะถ้าดีก็มีนะฮะเช่นธรรมกาโมพวังโหติธรรมเดศสีปราพโพ ผู้ใคร่ทำเป็นผู้เจริญผู้ชังทำเป็นผู้เสื่อมนั่นก็แสดงว่าใช้ไปในทางดีนั่นที่เนี่ยบางทีก็ใช้ไปในกุศลก็ได้นะฮก็แสดงว่าอาการของการมราคะอาการการโรคะมันลดลงไปเป็นความเพลินยินดีในกุศลลธรรมก็ได้แต่ว่าถ้าพวกโรคภะพวกตัณหาพวกนี้ก็ไปใช้ไปในแนวของวัตถุกรรมโดยเฉพาะแต่ในแนวที่ประณีตเนี่ยเราสามารถเป็น ใช้เป็นญานปาญหะอาศัยเพื่อนำใจไปสู่ผลสูงสุดยิ่งขึ้นไปได้ด้วยทั้งฟงังกันหลายแต่โรงปู่ทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี